คำภีปฏิสัมพิธามักแสดงอกุศลธรรมฝ่ายตรงข้ามที่อินทรีห้าจะกำจัดเป็นคู่คู่จะยกมากล่าวไว้พร้อมทั้งหน้าที่หรือกิจของอินทรีเหล่านั้นซึ่งได้กล่าวไว้แล้วอีกครั้งหนึ่ง 1. ศรัทธาเป็นใหญ่ในหน้าที่น้อมใจดิ่งหรือโปล่งใจให้กำจัดอกุศลคือความไม่เชื่อถือ 2. วิริยะ เป็นใหญ่ในหน้าที่ประคองหรือคอยยกจิตไว้กำจัดอากุศลคือความเกียรตคราน 3. สติเป็นใหญ่ในหน้าที่คอยคุ้มหรือดูแลจิตกำจัดอากุศลคือความประมาท 4. สมาธิเป็นใหญ่ในหน้าที่ทำจิตไม่ให้สั้นสายกำจัดอากุศลคืออุทธจักรหปัญญา เป็นใหญ่ในหน้าที่ดูเห็นตามสภาวะกําจัดอากุศลคืออวิชชาคำพีวิสุทธิมักกล่าวถึงความสำคัญของการปรับอินทรีย์ทั้งหลายให้เสมอกันโดยย้ำว่าถ้าอินทรีย์อย่างหนึ่งอย่างใดแรงกล้าเกินไปและอินทรีย์อื่นอ่อนอยู่อินทรีย์อื่นเหล่านั้นก็จะเสียความสามารถในการทำหน้าที่ของตนเช่นถ้าศรัทธาแรงไป วิริยะก็ทาหน้าที่ยกจิตไม่ได้สติก็ไม่สามารถดูแลจิตสมาธิก็ไม่สามารถทําจิตให้แนว่วปัญญาก็ไม่สามารถเห็นตามเป็นจริงต้องลดศรัทธาเสียด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะแห่งธรรมหรือมานสิการในทางที่ไม่เป็นการเพิ่มกำลังให้แก่ศรัทธาตามหลักทั่วไปท่านให้ปรับอินทรีย์เสมอการเป็นคู่ค คือให้ศรัทธาสมหรือเสมอกับปัญญาและให้สมาธิสมหรือเสมอกับวิริยะถ้าศรัทธากล้าปัญญาอ่อนก็อาจเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่น่าเลื่อมใสถ้าปัญญากล้าศรัทธาอ่อนก็จะเอียงไปข้างอวดดีเป็นคนแก้ไขไม่ได้เหมือนโรคเกิดจากยาซสเองถ้าสมาธิกล้าวิริยะอ่อน โกสัตชะคือความเกียรติครานก็เข้าครอบงำเพราะสมาธิเข้าพวกได้กับโกสัตชะแต่ถ้าวิริยะแรงสมาธิอ่อนก็เกิดความฟุ้งซ่านเป็นอุทธะเพราะวิริยะเข้าพวกกันได้กับอุทธะเมื่ออินทรีย์สองคู่นี้เสมอ ก, การปฏิบัติธรรมก็เดินหน้าได้ผลดีหลักนี้ ท่านให้นำมาใช้กับการเจริญสมาธิด้วยอย่างไรก็ตามท่านว่าถ้าเจริญแต่สมาธิอย่างเดียวล้วนคือบำเพ็ญสมถะถึงศรัทธาจะแรงกล้าก็ได้ผลเกิดอปปนาสมาธิได้หรือสมาธิแก่กล้าก็เหมาะแก่การจเจริญสมาธิอยู่ดีตรงข้ามกับในการจเจริญวิปัสสนาถึงปัญญาจะแรงไปก็ไม่เป็นไรเพราะกลับจะเกิดความรู้แจ้งดีด้วยซ้า นี้เป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าปฏิบัติตามหลักทั่วไปคือให้อินทรีย์สองคู่เท่าเสมอกันก็ได้ผลดีเช่นให้เกิดอัปนาสมาธิได้อยู่นั่นเองส่วนสติเป็นข้อยกเว้นท่านว่ายิ่งสติมีกำลังก็ยิ่งดีมีแต่จะช่วยองค์ธรรมข้ออื่นๆได้ดียิ่งขึ้นช่วยรักษาจิตไม่ให้ตกไปทั้งข้างอุตจั และข้างโกศะการยกจิตข่มจิตต้องอาศัยสติทั้งนั้นทั้งนี้ท่านอ้างพุทธพจนิว่าสติมีประโยชน์ต้องใช้ทุกที่ทุกกรณีและสติเป็นที่พึ่งที่อาศัยของใจเมื่ออินทรีย์บางอย่างแรงไปบางอย่างอ่อนไปตามปกติต้องแก้โดยการเจริญพ่ชงข้อที่ตรงเรื่องกัน เช่นวิริยะแรงไปแก้ให้ลดลงด้วยการเจริญปัตสัติสัมโพชงเป็นต้นดังจะกล่าวถึงในตอนว่าด้วยโพชงข้างหน้าตามหลักทั่วไปที่กล่าวแล้วนั้นบุคคลต้องฝึกอบรมอินทรีย์ครบทั้งหจึงจะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปได้อย่างไรก็ตามก็มีกรณียกเว้นซึ่งไม่ฝึกอบรมอินทรีย์ครบทั้งหมด จะฝึกอบรมเฉพาะอินทรีย์ที่จำเป็นหรือจำเป็นที่สุดกรณีเช่นนี้เป็นไปได้ดังมีพุทธพจน์ยืนยันอยู่เฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติเพื่ออย่างรู้สัจธรรมอันเป็นจุดหมายสูงสุดการฝึกอบรมอินทรีย์เพียงสีอย่างเป็นไปได้และในกรณีนั้นศรัทธาเป็นอินทรีย์แรกที่อาจเป็นเสียไม่ฝึกอบรมขึ้นมาก็ได้ ดังในปุปารามสูตรที่ 3, สสั่งยุตินิกายมหาวาระมีพุทจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเพรา ะ, จะเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีสี่อย่างภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมพยากรอารัตผลได้อินทรีสี่อย่างไหนได้แก่วิริยินทรีสตินทรีสมาธินทรีและ ปัญญินีอินทรีย์ข้อต่อไปที่อาจขาดได้คือวิริยะดังนี้ในปินโทละพารัวาชะสูตรสังยุตติกายมหาวาระมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีย์สามอย่างภิกษุชื่อปินโทละพารัวาชะได้พยากรอรหัตผลแล้ว อินทรีสามอย่างไหนได้แก่สตินทรีสมาทินทรีและปัญญทรีถ้าจำเป็นต้องลดลงอีกข้อต่อไปที่ลดได้คือสติดังนี้ในปุปารามสูตรที่สองสั่งยุตินิกายมหาวาระวัตรมีโพธิพจท์ว่าภิกษุตั้งหลายเพรา ะ, จะเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ซึ่งอินทรีสองอย่างภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมพยากรอาราตะผลได้อินทรีสองอย่างไหนได้แก่อริยปัญญาและอริยวิมุตต์อริยปัญญาของพิสุนั้นนั่นแหละเป็นปัญญินทรีของเธออริยวิมุตต์ของพิสุนั้นนั่นแหละเป็นสมาธินทรีของเธอในขั้นสุดท้าย แม้จะขาดการเจริญสมาธิก็ได้แต่อินทรีย์ที่จำเป็นที่สุดซึ่งจะต้องฝึกอบรมพัฒนาแม้มีอย่างเดียวถ้ามีคุณภาพพอก็ให้บรรลุผลที่หมายของพุทธศาสนาได้เป็นอินทรีย์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปัญญาดังในบุพพารามสูตรที่หนึ่งสั่งยุตตนิกายมหาวาระมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลาย เพราะเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีหนึ่งเดียวภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมพยากรณ์อารัธผลได้อินทรีหนึ่งเดียวอย่างไหนได้แก่ปันินรีที่ว่าฝึกอบรมเฉพาะอินทรีที่จาเป็นเพียงสหรือสหรือสองหรือหนึ่งนี้มิได้ไหมายความว่าไม่ต้องมีอินทรีที่ไม่มีชื่ออยู่ด้วยเสียเลยทีเดียว ความจริงก็ยังมีและใช้อินทรีย์ครบทั้งหมดแต่อินทรีย์เหล่านั้นเป็นเพียงตัวแอบอิงพลอยเกิดตามเจริญตามอินทรีย์ตัวยืนที่จำเป็นและมีอยู่พอเท่าที่จะต้องใช้ประโยชน์ไม่ต้องตั้งใจฝึกอบรมพัฒนาให้ชัดเจนเด่นขึ้นมาดังตัวอย่างในบุพพารามสูที่หนึ่งสังยุตานิกายมหาวาระรมีพูทธพจน์ตรัสถึงปัญญาว่า สำหรับอริยสาวกผู้มีปัญญาศรัทธาอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้วิริยะสติสมาธิอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้กรณียกเว้นเช่นนี้ย่อมเหมาะที่จะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษบางคนสำหรับคนทั่วไปย่อมสมควรปฏิบัติตามหลักทั่วไปข้างต้น ในโกศลสูตรสั่งยุตินิกายมหาวารรักมีพุทธพจน์แสดงความสำคัญของปัญญีสีซึ่งควรยกมาอ้างไว้อีกเป็นตัวอย่างเพื่อย้ำฐานะของปัญญาในพุทธศาสนาหรือให้เห็นท่าทีของพุทธศาสนาต่อปัญญาภิกษุทั้งหลายสัตดรชานเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตามบรรดามีพญาศีหมฤคราชชาวโลกกล่าวว่า เป็นยอดแห่งสัตว์เหล่านั้นโดยความแข็งแรงโดยกำลังความเร็วโดยความกล้าหาญฉันใดทมที่เข้าข้างหรือช่วยอุดหนุนการตัสรู้คือโพธิปักกิยธรรมเหล่าหนึ่งเหล่าใดบรรดามีปัญญีสีก็เรียกว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นในข้อที่เป็นไปเพื่อโพธิฉันนั้นในมันละกะสูตรสังยุตติายมหาวารว มีพู้ตธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนกูตาคารคือเรือนชั้นมียอดเมื่อเขายังไม่ได้ยกยอดขึ้นเพียงใดกรอนเรือนก็ยังไม่ตั้งได้ที่ยังไม่มั่นลงได้เพียงนั้นเมื่อใดเขายกยอดขึ้นแล้วเมื่อนั้นกรอนเรือนจึงจะตั้งได้ที่จึงจะมั่นลงได้ฉันใดอริยญาณ ย, ยังไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกเพียงใด อินทรีย์สีก็ยังไม่ตั้งได้ที่ยังไม่มั่นลงได้เพียงนั้นเมื่อใดอริยญาณเกิดขึ้นแล้วแก่อริยสาวกเมื่อนั้นอินทรีย์จึงจะตั้งได้ที่จึงจะมั่นลงได้ชั้นนั้นเหมือนกันอินทรีย์อย่างไหนได้แก่สัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์และสมาทรีย์ สำหรับอริยสาวกผู้มีปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิซึ่งเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมส่งตัวได้ที่